คุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักซีอุยกันบ้างนะคะซีอุยเป็นชื่อของชาวจีนคนหนึ่งค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยพฤติกรรมสุดโหดก็คือการจับเด็กไปฆ่าแล้วก็ผ่าหน้าอกนะคะเพื่อที่จะควักหัวใจแล้วก็ตับไตเอามากินนะคะเรียกว่ากว่าจะถูกจับได้นายคนนี้ก็ฆ่าเด็กไปถึง6คนกันเลยทีเดียวเมื่อคดีถูกนําขึ้นไปพิจารณาในชั้นศาลค่ะศาลชั้นต้นก็ ตัดสินนะคะประหารชีวิตแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะอัยการอุทธรศาลอุทธรณ์ก็แก้เป็นไม่ลดโทษให้ประหารชีวิตไปเลยนะคะเมื่อไม่มีใครให้ดีกาในที่สุดนะคะซีอุยก็ถูกประหารชีวิตศพของซีอุยถูกสตาร์ฟไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะโดยเมื่อถึงวาระสําคัญก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปดูเรียกว่าเด็กๆที่เข้าไปดูนี่ก็ชอบดูกันมากเลย ประวัติของซีอุยถูกแต่งเติมเสริมต่อนะคะแล้วก็นําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อมาก็มีผู้นําไปสร้างเป็นละครซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีผู้ชมติดตามอยู่กันเป็นจําจนวนมากทั่วประเทศกันเลยประวัติของซีอุยนะคะเขาเกิดที่เมืองสุโขทามีฐานะยากจนค่ะแล้วก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็ถูกทหารฝ่ายตรงข้ามจับเป็นเชลยโดยระหว่างที่เป็นเชลยอยู่นั้นซีอุยเห็นทหารฆ่าศึกนะคะ เป็นไปจับฉเฉลยศึกเนี่ยแล้วก็นำไปฆ่าแล้วก็ผ่าเอาหน้าอกผ่าเอาหัวใจแล้วก็เอาตับไปกินทำให้เขาหวาดกลัวมากก็เลยหาทางหนีพร้อมกับการหนีได้สำเร็จค่ะจากนั้นก็อาศัยเรือสัเภาแล่นฝากคลื่นลมมาเมืองไทยมาขึ้นที่อำเภอ300ร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซีอุยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะพูดได้แต่ภาษาจีนก็เลยรับจ้างทํางานประเภทการใช้แรงงานเข้าแรกมีกินมีใช้ไปวันๆพร้อมกับการเร่ร่อนแพเนจรนไปเรื่อยๆแต่ว่าพออยู่ได้ครบหนึ่งปีซีอุยก็เกิดความกระหายอยากกินหัวใจแล้วก็ตับไตไส้พุงของมนุษย์จนในที่สุดค่ะเขาก็ทนไม่ได้โดยที่ซีอุยก็ไม่รู้นะคะว่าวิ ญ, ญญาณร้ายสิงสู่อยู่ในร่างกายของเขานั้นกําลังบีบทั้นแล้วก็บังคับให้เขาประกอบกรรมชั่วอย่างหนัก นั่นก็คือการฆ่ามนุษย์แล้วก็ผ่าอกเอาหัวใจออกมากินนะคะซีอุยเคยคิดที่จะฆ่าผู้ใหญ่เหมือนกันเพื่อที่จะเอาหัวใจมากินแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างเล็กนะคะผอมบางกลัวว่าจะสู้แรงผู้ใหญ่ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเด็กเล็ก เวลาจับตัวเด็กเคราะร้ายสี่อุยก็จะแอบเข้าไปด้านหลังใช้มือปิดปากปิดจมูกเด็กจนหายใจไม่ออกแล้วก็สลบไปค่ะจากนั้นสีอุยก็จะอุ้มเด็กไปยังที่รับตาพร้อมกับการเอามีดแทงคอให้เลือดไหลลงภาชนะเอาเลือดทิ้งจนหมดแล้วก็ผ่าอกล้วงเอาหัวใจกับตับไปกินนะคะ คดีเด็กถูกผ่าตัดเอาหัวใจกับตับไปคดีแรกเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟจิตรดาพญาไทยกรุงเทพเป็นคดีที่คลื่นโคลงที่สุดค่ะต่อมาทุกปีก็จะเกิดคดีแบบเดียวกันนี้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดหนังสือพิมพ์ถึงกับประกาศเตือนให้ผู้ปกครองนะคะระมัดระวงังแล้วก็ดูแลเด็กให้ดีอย่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นตามลาําพังเพราะว่าอาจจะเป็นเหยื่อของฆาตกรรายนี้ได้ทุกเมือ่อช่วงเวลานั้นนะคะคุณผู้ฟังเกิดความหวาดกลัว ฆาตกรวิปริตผ่าอกเด็กเอาหัวใจไปกินแพร่ขยายไปทั่วทุกจังหวัดค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พยายามอย่างมากในการสืบสวนหาตัวฆาตกรลึกลับรายนี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใครจนกระทั่งสีอุ่ยเนี่ยนะคะไปรับจ้างทําไร่ที่จังหวัดระยองค่ะพอถึงเวลาครบ1ปีวิญญาณร้ายก็ได้เข้าสิงซีอุ่ยอีกครั้งทําให้สีอุ่ยต้องแอบไปลักพาเด็กหญิงเอามาฆ่าผ่าอกล้วงเอาหัวใจแล้วก็ตับมากินเช่นเคย แต่ว่าคราวนี้ค่ะคุณผู้ฟังพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของเด็กเนี่ยตามหาผู้ลักลูกของเขาไปจนกระทั่งไปพบเจอกันกับซีอุยและพบว่าลูกของเขาได้กลายเป็นศพไปแล้ว หัวใจกับตับถูกซีอุยผ่าตัดอ่าผ่าอกออกมานะคะแล้วก็เอาใส่ชามเก็บไว้ในตู้กับข้าวเพื่อที่จะเตรียมทำเป็นอาหารกินซีอุยถูกซ้อมปางตายก่อนนำตัวส่งตำรวจเมื่อถูกสอบสวนซีอุยก็ยอมรับสา ร, รภาพทุกข้อหารวมทั้งคดีฆ่าผ่าศพเด็กอะไรอื่นๆจนมาถึงคนสุดท้ายคือรายที่6ค่ะเมื่อตารวจสอบถามว่าเหตุใดถึงกระทาการอันโหดร้ายเช่นนี้ เขาก็ได้อธิบายไปเนียคะบอกว่าอธิบายไม่ได้นอกจากเล่าว่าพอครบหนึ่งปีจะเกิดความรู้สึกอยากฆ่าคนเพื่อที่จะเอาหัวใจแล้วก็ตับมากินอย่างที่สุดความรู้สึกนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆจะหักห้ามอย่างไรก็ไม่ได้ในที่สุดจึงจำเป็นต้องไปฆ่าเด็กเพื่อกินหัวใจกับตับพอตำรวจถามนะคะว่าไม่รู้สึกสะอิดสะเอียนบ้างหรือตอนกินหัวใจกับตับคนเนี่ยซีอุยบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ากลับรู้สึกว่ามันอร่อย อร่อยเสยจนแบบเหมือนเหมือนเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์กินเข้าไปยิ่งส่งเสริมให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในปีนึงเขาอยากจะกินหัวใจเด็กแล้วก็กินตับมนุษย์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังคะการที่ซืออวมีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มีความวิปริตถึงท่านกินอวัยวะของมนุษย์ด้วยกันค่ะหากจะวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคงต้องโยงหลักวิชาหลายสาขาเอามาจับเป็นประเด็นค่ะซึ่งรวมแล้วก็คือเนื่องจากความผิดปกติแล้วก็ความบกพร่องทางจิตแต่ในความเห็นของนายจํำรัดอมมนสุขนะคะอดีตผู้พิพากษาสารชั้นต้นและอดีตผู้พิพากษาสารอุทธร ซึ่งต่อมาได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณการเจริญสมาธิและเป็นกรรมการบริหารอภิธรรมมู ล, ลนิธิวัดโพท่านเชื่อนะคะว่าซีอุยเนี่ยถูกผีสิงบีบบังคับให้กระทำการอันโหดเหี้ยมดังกล่าวนายจำรดอมรสุ ข, ขาดได้บรรยายเรื่องสิ่งอัศจรรย์ที่ข้าพระเจ้าได้พบที่อภิธรรมมู ล, ลนิธินะคะวัดโพิที่ท่าเตียนนะคะเมื่อวันที่8กันยายน ปีพุทธศักราช 2,516 ค่ะได้กล่าวถึงซีอุยคนนี้หลายตอนนะคะว่า อีกหลายปีต่อมาตอนนี้ผมเป็นผู้ผิภาคษารแล้วมาเจอผีซีอุยเข้าซีอุยปัจจุบันนี้ดองอยู่ในสี่ริราชนี่แหละมันกินคนมาหกคนซีอุยนี่เป็นผีมาจากเมืองจีนมาจากเมืองซัวเทาเขาเล่าว่าอย่างนี้ตอนที่เขาจะหนีมาจากเา ong, มืองจีนเขาโดนจับเป็นเฉลยทหารที่ถูกจับเป็นเฉลยถูกฆ่าแล้วพวกเขาก็เอาตับกับหัวใจมากินกัน อีกตอนหนึ่งท่านกล่าวนะคะว่าในที่สุดสารชั้นอตอนขึ้นสารก็สารภาพว่าผมตัดสินประหารชีวิตลดแล้วให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตอายการอุทธรสารอุทธรแก้เป็นไม่ลดการประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครดีกาให้ในที่สุดนายคนนี้ก็เลยต้องชะตาขาดนะคะหมอสงกรานบอกว่ามันบ้า ส่งหมอขึ้นไปขอสัมภาษณ์ดูผมบอกว่าดูจำนวนเขาไม่บ้าหรอกซีอุยคนนี้ไม่บ้าแต่ผมไม่รู้ว่าผีสิงจนมาเรียนที่นี่แล้วถึงรู้ว่าอ๋อมีผีสิงแน่ๆหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นบ้าเพราะว่าในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตจริงๆค่ะท่านผู้พิพากษาจํำรัดอมรสุขนะคะก็ได้เล่าต่อไปอีกค่ะว่าทีนี้การซักถามกันขึ้นนะคะว่าเหตุที่จะต้องกินตับกินหัวใจนี่ทำไมถึงต้องกินหนังสือพิมพ์เดลิเนียส์เขาก็ไปถามว่า เดลี่นิวส์วันจันทร์หรืออะไรเนี่ยสมัยก่อนไปถามกันมันก็เล่าให้ฟังเล่าประวัติให้ฟังอย่างที่เล่าไปบอกว่ามาจากเมืองจีนมาจากเมืองสัเวเ e a r ไปเห็นอะไรมาเขาถึงอยากจะกินตับไตหัวใจของคนแล้วพอถึงปีก็อยากจะกินเหลือเกินอยากกินจริงๆคือเขาบอกว่ากินแล้วมันมีกําลังเขาก็บอกมาอย่างนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังพอครบหนึ่งปีมันก็อยากหนเดียวแล้วก็ถามว่าทําไมไม่เอาคนโตเขาบอกกลัวสู้ไม่ได้เพราะว่าซีอุยตัวเล็กไปเอาผู้ใหญ่เดี๋ยวโดนเตะเอาหลอกเด็กดีกว่า ในที่สุดเขาก็จบชีวิตเมื่อคุณอําอจําดัดอมรสุขนะคะท่านผู้พิพากษาเนี่ยท่านเล่าต่อไปอีกบอกว่าเมื่อได้มาเรียนที่นี่แล้วที่มูนลนิธิอภิธรรมมูนลนิธิวัดโพนี่นะคะ ก็วินิจฉัยว่าทำไมเขาถึงจะต้องกินความจริงเขาไม่ได้อยากจะกินหรอกคะ่ะแต่ว่าผีสั่งให้กินแต่ทางกฎหมายช่วยไม่ถึงเรื่องอำนาจเวทมนตร์ก็ดีแล้วผีก็เข้าเจ้าได้อ่าแล้วผีเข้าเจ้าเข้าก็ดีกฎหมายไม่รับรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่รับรู้ก็เลยบอกว่าเป็นกรรมของเขาก็เลยตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายแต่เขาบอกว่าผมไม่ได้เอาเขาให้ถึงตายผมเอาตลอดชีวิตสารอุธทธรณ์ท่านว่ายอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่าน นี่คือเบื้องหลังอีกแง่มุมหนึ่งนะคะของฆาตกรโหดที e ่มีชื ah ่อว่าสีอุยการกระทำอันวิปริตสยดสยองของเ้าที่กล่าวถานไปทั่วทุกมุมเมืองและก็เป็นฆาตกรรายแรกรายเดียวของเมืองไทยที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดวิสัยมนุษย์ การที่ท่านผู้พิพากษาจำรัดระบุว่าซีอุยถูกผีสิงนั้นรายละเอียดในเรื่องนี้มีได้ลงลึกถึงขั้นว่าผีที่มาสิงซีอุยเป็นใครเป็นผีประเภทไหนและเข้าสิงทำไมจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่สามารถทำความกระจ่างได้อย่างกว้างขวางกว่านี้ค่ะเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของครูบาพรมมาพรห ม, มาจักโกกับผีเสื้อวัดนะคะ วัดพระพุทธบาทตากผ้าตำบลมกอกอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะโดยครูบาพรห ม, มาท่านเป็นพระเถระพระเถระนะคะฝ่ายวิปัสนาธุระรูปสำคัญรูปหนึ่งแห่งภาคเหนือท่านบันประชาเป็นสมเน็นตั้งแต่อายุสิบห้าปีค่ะจนกระทั่งบวชครบบวชนะคะจึงอุปสมบทแล้วก็ครองเพศบันพระชิตตราบจนวารสุดท้ายของชีวิต เมื่อครั้งที่ครูบาพรมาเนี่ยท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มชะกันท่านก็ถือธุดงคาวัดอย่างเคร่งครัดซึ่งปฏิปทาเช่นนี้ค่อนข้างหาได้ยากสําหรับพระภิกษุทางภาคเหนือนะคะครูบาพรมมาจะออกท่องเที่ยวธุดงไปยังสถานที่อันสงบสงัดห่างไกลชุมชนซึ่งพลุกพล่านและก็วุ่นวายค่ะไปตามป่าเขาแนวภัยก็คือสับป่ายะที่ท่านพึงใจไม่หยุดยั้งเป็นเวลานา น, านเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมและก็กระทำความเพียร ก่อนจะถึงการเข้าภร็ษาปีหนึ่ง ค, ร, ครูบาพรมาเนี่ยท่านได้พาพระเนนจำนวนเจ็รูปจาริกจากอำเภอเชียงแสนมายังจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาถึงวัดพระบาทยังวีดที่อาเภอสันป่าตองท่านก็ตั้งใจจะบาเ พ, พ็ญพรนสาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเห็นว่าวัดแห่งนี้ค่ะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านพอสมควรประกอบกับสภาพแวดล้อมสงบเงียบเหมาะสมนะคะกับการปฏิบัติธรรมค่ะ วันแรกที่มาถึงปู่ล่ามวัดนะคะที่เป็นมัคคดายกค่ะก็บอกแก่ครูบาพรมาว่าวัดนี้เนี่ยผีเสื้อดุรายมากเป็นผีกะยักษ์ผีกะยักษ์ก็คือผีปอบนะคะอาศัยอยู่ที่ต้นมะตูมใหญ่ตรงมุมกำแพงวัดด้านหนึ่ง แต่ว่าอยู่นอกเขตวัดรอบๆต้นมะตูมเนี่ยก็จะมีหอพระภูมิที่ทำด้วยไม้หลายสิบหลังไม่ทราบว่าผู้สร้างหอพระภูมินี่มีเจตนาเช่นไราอาจจะสร้างขึ้นเพื่อให้พูดผีอยู่ก็ได้ปู่ล่มวัดก็เล่าต่อไปอีกค่ะว่าใครที่ไปคว้างผลมะตูมแล้วก็คิดจะเอามะตูมสุกมากินพอกลับถึงบ้านก็จะมีเลือดไหลออกจากปากออกจากจมูกจนถึงแก่ความตายทุกคนค่ะ ครูบาพรมมาท่านได้ยินปู่ล่มวัดเล่าให้ฟังเช่นนี้ท่านถึงกับหลุดปากออกมาด้วยความแปลกใจว่ามันจะเป็นขนาดนั้นเชียวหรือย่มค่ำวันนั้นนะคะครูบาพรมมาแล้วก็หมู่คณะของท่านท่านก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็มานั่งพักผ่อนสนทนากาันด้วยเรื่องจำพรรษากระทั่งฟ้ามืดสนิทค่ะก็มีสุนัขประมาณ 4-5 ห้าตัวก็พากันวิ่งจากต้นมะตูมนอกวัดตรงมายังทางเข้าประตูวัด พวกสุนัขวิ่งคลางเห่าพลางบางครั้งนะคะก็วิ่งเห่ากันโชคถอยหลังกรูดไปนะคะประนหนึ่งว่าถูกใครลุกไล่เข้ามาเพื่อเมื่อสุนัขถอยเข้ามาในประตูวัดสักพักหนึ่งพวกมันก็จะถอยออกไปแล้วก็วิ่งไล่พร้อมกับเห่าเสียงดังกระหึ่มไปเช่นนี้ค่ะคล้ายกับว่าพวกมันกาลังถูกสิ่งหนึ่งซึ่งตัวสูงใหญ่มากเดินไล่มันจากต้นมาตูพอถึงประตูวัดนะคะสิ่งนั้นจึงเดินกลับ พวกสุนัข ก, ก็วิ่งไล่เหา่าตามหลังไปแล้วก็ครูบาท่านเห็นเช่นนั้นท่านก็บอกหมู่ของหมู่พวกของท่านว่าคงจะเป็นเทวดาเจ้าธรณีมาแอบหาพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นแขกมาอยู่ใหม่ต่อไปพวกเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงตั้งใจบำเพ็ญเพียรแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็แผ่เมตตาไปถึงเทวดาเจ้าที่ให้มีความสุขทั่วนหน้ากาัน ขณะเดียวกันค่ะใจของท่านก็นึกคิดตามภาษิทธิ์ที่ว่าจงชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราอีกสองสามวันต่อมาล่วงเข้าตอนกลางคืนเวลาสักสี่ทุ่มนะคะพระเนนก็กำลังจำวัดพักผ่อนนอนหลับ ก็ได้ยินเสียงดังโหยหวนมาจากต้นมาตูมตรงวัดค่ะเสียงนั้นเสียงคล้ายกับคนกำลังร้องไห้คร่าครวญประหนึ่งว่าเจ้าของเสียงกำลังพิราบพิรารำพันเรียกหาคนที่ตายจากไปนะคะตอนแรกได้ยินเสียงของคนคนเดียวต่อมานีนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายสิบเสียงคล้ายกับคนหลายสิบคนนี่กำลังร่ำไห้คร่าครวญดังระ ง, งมพร้อมกัน พระเนนในวัดก็พากันตื่นตกใจทุกรูปแล้วก็วิ่งหากันให้วุ่นด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับความตกใจครูบาพรมมาก็กล่าวปลอบค่ะว่าดีแล้วที่วันนี้เจ้าที่ธรณีส่งเสียงอนุโมทนาสาธุกันพวกเราไม่ต้องกลัววันรุ่งเช้าค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านละแวกนั้นก็พากันมาที่วัดแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากวัดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพระเนนก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเสียงอะไรซึ่งชาวบ้านก็รีบกลับไปด้วยความหวาดกลัวเช่นกันค่ะ ต่อมาอีกวันหนึ่งปู่ล่ามวัดมาบอกครูพรมมาว่าผีเสื้อวัดเนี่ย ท่านาเขาได้ไปสิงคนในหมู่บ้านแล้วก็เอ่ยปากพูดว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ต้นมะตูมมานานแล้วบัดนี้มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาอยู่ที่วัดนี้พวกเขาทั้งหลายจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วขอลาไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่บัดนี้หลังจากผีเสื้อวัดประกาศไม่ขออยู่อีกต่อไปไม่นานต่อมานะคะชาวบ้านก็พากันตัดต้นมะตูมนะคะแล้วก็จัดการเผาหอพระภูมิเจ้าที่จนหมดโดยไม่มีใครเกิดอันตรายใดๆขึ้นเลยค่ะ เราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของวิญญาณเจ้าที่ที่วัด3กอนะคะคุณผู้ฟังวัด3ากออํเาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะวัดวาอารามที่ผ่านการรัชสมัยมานานเช่นนี้ก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีสิ่งที่เร้นลับแฝงเร้นอยู่แล้วก็สิ่งเร้นลับดังกล่าวนะคะมีอิทธิพลมีพลังเหนือโลกเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดจะเดาได้ เหตุการณ์เช่นนี้นะคะที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่พ่วงจะเอาวาัดรูปหนึ่งของวัดสามกอแห่งนี้นะคะ ในสมัยหลวงปู่พ่วงเป็นเจ้าอาวาสวัด3ากอค่ะเสนาสนะภายในวัดชำรุดสุดโรมแทบจะทุกสิ่งพระเนนและก็สัตายาธยายมซึ่งคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถักวัดนี้เนี่ยจะต้องช่วยกันซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอโดยเฉพาะที่วัดโบสถ์โดยเฉพาะที่โบสถ์นะคะที่สุดโรมเกินที่จะเยียวยานะคะหลวงปู่พ่วงจึงดาริดารินะคะจะซ่อมโบสถ์ให้ดีกว่าเดิม คือจะบอกว่าอันที่จริงดำริของหลวงปู่พ่วงนั้นเป็นดำริที่ชอบแล้วนะคะเพราะว่าเป็นความประสงค์ในทางที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าหลวงปู่ก็ลืมฉุกคิดไปว่าภายในวัดสามกอแห่งนี้เนี่ยยังมีสิ่งเร้นลับแอบแฝงอยู่ สิ่งเร้นลับนั้นก็คือเจ้าที่หรือว่าพระภูมิซึ่งเป็นเทพพยายดาระดับหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาทรณีสงและก็าศาสนวัตถุทั้งหลายภายในวัดนะคะหลวงปู่พ่วง ก, ก็ตั้งใจจะซ่อมโบสถ์ก็ตัดสินใจปุ๊บปั๊ บ, บสั่งให้รื้อหลังคาบโบสถ์ทันทีโดยไม่มีการบอกกล่าวประกาศเจตนานะคะว่าจะทำอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลวัด เทพพยายดาหรือว่าพระภูมิเจ้าที่นั้นแม้จะเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่ประกอบกุศลความดีมาไม่น้อยและโดยเหตุแห่งกุศลความดีนั้นค่ะเป็นปัจจัยส่งผลให้เมื่อตายจากโลกไปแล้วจึงต้องมาผุดเกิดในกำเนิดของเทวดามีหน้าที่รักษาวัดวาอารามในพระพุทธศาสนากระนั้นเทพหรือเทวดาค่ะใช่ว่าจะต้องขาดจากกิเลสหมดสิ้นก็หาไม่จิตของเทวดาก็ยังคงมีโทสะโมหะอยู่นะคะ เมื่อหลวงปูป่พ่วงท่านสั่งหรือโบทโดยไม่ชอบอขออภัยค่ะโดยไม่ได้บอกกล่าวใดๆนะคะหลวงปู่ก็เลยเจอเข้ากับอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเต็มที่เลยนั่นคือยังไม่ทันที่จะรื้อบทสำเร็จเสร็จสิ้นหลวงปูป่พ่วงก็เกิดไม่สบายกระทานหาันคือมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกคล้ายกับอาการของคนเป็นโรคหอบหืดหายใจหอบสูดลมเข้าปอดแทบไม่ได้นะคะ ซึ่งตอนแรกก็ยังพอที่จะนอนได้อยู่แต่ว่าต้องลุกขึ้นมานั่งกอดโอ่งยึดไว้เป็นหลักเวลาผ่านไปอาการหอบก็ยิ่งหนักเข้าทุกทีค่ะคราวนี้นั่งไม่ได้ละสิก็ต้องยืนลูกศิษย์ก็เอาเชือกผูกกับคื่อยงลงมาเพื่อให้หลวงปู่ยืนโหนเชือกหายใจหอบอย่างน่าเวทนาพอมาถึงขั้นนี้แล้วหลวงปู่พ่วงก็ทนไม่ไหวเพิ่งฉกคิดขึ้นมาได้นะคะว่าอาการไม่สบายของตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุมาจากการรื้อโบดเป็นแน่ ก็เลยบอกพระลูกวัดไปอาราธนาขอความเมตตากับหลวงพ่อปานแห่งวัดบางโคนอ่าวัดบางนมโคเพื่อเมื่อหลวงพ่อปานทราบเรื่องนะคะหลวงปู่พ่วงจากพระลูกวัดสามกอท่านก็รีบมาช่วยแล้วก็มาแก้ไขให้ พอมาถึงวัดสามกอค่ะหลวงพ่อปานก็ได้สั่งให้ปลูกสารเพียงตาขึ้นที่หน้าโบสถ์พร้อมกับเครื่องสังเวยเทวดาจากนั้นนะคะก็เจริญสมาธิติดต่อโอปติกะก็คือเทวดาที่รักษาโบสถ์อัญเชิญให้มาสถิตที่สารเพียงตาแล้วก็นิมนพระมาสวดอาการหายใจหอบของหลวงปู่พ่วงก็ค่อยๆทุเลาลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดนี่ก็แสดงนะคะว่า เทวดารักษาโบสถ์ได้สลายอิทธิฤทธิ์อันเนื่องจากโทสะไปแล้วนะคะเมื่อหลวงปู่พ่วงหายเป็นปกติหลวงพ่อปานก็ได้ตักเตือนท่านว่าวัดสามกอแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โบราณ น, นะมันมีอาถรรพ์แรง อีกทั้งปูมดวงวัดก็กล้าแข็งโอปติกะหรือว่าเทวดารักษาวัดมีฤทธิ์มากถ้าจะทำอะไรที่ไม่ควรบวงก็ควรจะบวงสวงแล้วก็บอกกล่าวตามประเพณีโบราณซะก่อนจึงจะสำริดผลแล้วก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจหรือไม่สุดจริตอย่างใดอย่างหนึ่ง จะประสบภัยอันตรายรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหลวงปู่พ่วงได้ฟังด้วยความเชื่อถือแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางอีกนะคะพอเวลาล่วงเลยไปค่ะเกิดมีหมอศสยศาสตร์ได้ลายแทงขุมทรัพย์จากทางเหนือมาค่ะในลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังไว้ในวัดสามกอก็เลยชักชวนหลวงปู่พ่วงเนี่ยไปขุดเอาทองคา อันที่จริงหลวงปู่พ่วงจะบอกกล่าวหรือว่าห้ามปราบไม่ให้หมอศัยศาสตร์คิดล่วงละเมิดทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ของตนและเป็นประการสําคัญอย่างยิ่งกว่าอื่นได้คืออิทธิฤทธิ์ของเทวดาหรือว่าเจ้าที่วัดแห่งนี้นะคะแต่ว่าหลวงปู่พว่วงท่านได้ก็ได้ประจักษ์มากับตนเองแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าพอถูกหมอศัยศาสตร์พูดจากกล่อมเกล่าวประเล้าประโลมให้ร่วมมือขุดทรัพย์ก็เห็นดีเห็นงามด้วยค่ะก็เลยตกลงปลงใจกับหมอศัยศาสตร์นะคะ ก็จัดแจงหาคนมาช่วยกันขุดเอาทองคําล้วค่ะที่นี้แล้วก็จุดที่ลายแทงระบุว่ามีทองคําฝังอยู่ตรงนั้นก็คือบริเวณด้านหลังสาลเพียงตาที่หลวงพ่อปานให้จัดสร้างขึ้นแล้วก็อัญเชิญพระภูมิเจ้าที่มาสถิตเพื่อรับเครื่องเส้นสังเวยนั่นเองขุดค้นหาสมบัติรับมีค่าใต้ดินยังไม่ทันได้พบแม้แต่เทศษทอง หลวงปูป่พ่วงก็เกิดไม่สบายอีกค่ะมีอาการหายใจหอบเช่นเดิมและเกิดอาการหายใจหอบดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะกำเริบอย่า ง, างรวดเร็วนะคะหลวงปูป่พ่วงก็ลนลานให้พระลูกวัดเนี่ยรีบไปอาราธนาหลวงพ่อปานมาช่วยอีกหลวงพ่อปานก็รีบมาแล้วก็มาจัดพิธีขอขมามีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็หัวหมูซ้ายขวาเป็นเครื่องสังเวยทว่าการทาพิธีขอขมาลาโทษต่อพระภูมิเจ้าที่ครั้งนี้ไม่ได้ผลค่ะ อาการหอบของหลวงปู่พ่วงไม่ผ่อนเพลาวทุเลาลงแม้แต่น้อยอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาท่านก็มรณภาพส่วนหมอศยศาสตร์ตัวต้นเหตุค่ะก็หนีตายไปหนีหายไปนะคะด้วยความกลัวเมื่อประจักษ์ต่ออิทธิฤทธิ์ของเทวดาพระภูมิเจ้าที่วัดสามกอที่กระทำแก่หลวงปู่พ่วงถึงขั้นดับชีวิต สิ้นลมหายใจในลักษณะทุกทรมานหน้าเวทนาอย่างยิ่งหลวงพ่อปานเองท่านก็เสียใจยนะคะที่ท่านไม่อาจจะช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้เพราะว่าเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่นั่นเนี่ยคือไม่ยอมให้อภัยอีกที่เกิดเหตุดุนแรงถึงชีวิตเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าหลวงปู่พ่วงละเมิดศีลทำผิดซะเอง ทั้งๆ ท, ที่รู้นะคะว่าทซั์ใต้ดินนั้นมีเจ้าของถือครองอยู่ถึงแม้ว่าเจ้าของจะเสียชีวิตไปนานแสนนานแล้วก็ตามแต่ว่าวิญญาณของทรัพย์ที่อของเจ้าของทรับนะคะที่ยังยึดมั่นยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัตินั้นเนี่อย่างเหนียวแน่นย่อมไม่อาจจะไปผุดไปเกิดในกำเนิดอันควรที่จะเป็นไปแต่กลับเป็นวิญญาณที่ทรมานค่ะมาวนเวียนเฝ้าทรัพย์ของตนเองด้วยความห่วงแหลนซึ่งมักจะเรียกกันว่าปู่โสมเฝ้าซัพย์นะคะ หากมีใครมาขุดค้นเพื่อหวังสมบัตินั้นก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติของตนทุกวิถีทางด้วยความกโกรธหรืออีกในกรณีหนึ่งค่ะวิ ญ, ญญาณเจ้าของทรัพย์ไปผุดไปเกิดในกำเนิดตามกรรมของตนเองแล้วทรัพย์นั้นก็มีวิญญาณอื่นมาช่วยดูแลรักษาไว้เพื่อรอคอยให้เจ้าของเดิมกลับมารับคืนแต่เมื่อมีผู้อื่นมาขุดคน้น เพื่อยึดครองทรัพย์นั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาก็อาจจะขัดขวางทําลายเอาถึงตายได้นะคะสําหรับทองคําที่เป็นทรัพย์ในดินที่หมอเศรศาสตร์ได้ไลายแทงไปเชื่อว่านะคะมีต้องมีเจ้าของแน่ๆแหละแต่ว่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมหรือว่าเป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาแทนย่อมยากที่จะชี้ชัดลงไปได้คะ่ะการที่หลวงปู่พ่วง ผีผามร่วมมื อ, อลงไปขุดหาเอาทรัพย์นั้นโดยพลาการก็เท่ากับการทำผิดศีลนะคะข้ออาทินนาทานคือการเบียดเบียนลักทรัพย์ขโมยของผู้อื่นเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสำหรับพระภิกษุถึงอาบัตขั้นปารชิกนะคะขาดความเป็นพระในบัตรดลค่ะเหตุนี้หลวงพ่อปานค่ะแห่งวัดบางนมโคท่านจึงหมดหนทางช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ค่ะ